จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศล ท, ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวาาันอาทิตย์ที่สามธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นเหมือนวันพระของของคนสมัยปัจจุบันสมัยใหม่เนื่องจากวันหยุดทำงานนั้นไม่ตรงกับ วันขึ้นแรงแปดข้ามสิบห้าข้ามจึงได้ถือเอาวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแทนมาวันพระวันแรงวันขึ้นข้ามวันขึ้นวันแรงแปดข้ามสิบห้าข้ามเพราะช่วงนั้นอาจจะต้องไปทำงานมาไม่ได้ เลยใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเป็นวันแทนวันพระก็เหมือนกันเพราะวันพระเป้าหมายอยู่ตรงที่ให้ได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลซึ่งเปรียบเป็นอาหารของใจใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่อยู่โดยปราศจากอาหารไม่ได้คือ อยู่ปราศจากบุญกุศลไม่ได้เพราะถ้าขาดบุญขาดกุศลแล้วใจจะเหี่ยวแห้งใจจะอับเฉามีความเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่มีความสดชื่นเบิกบานไม่มีความร่าเริวไม่มีความอิ่มไม่มีความสุขนะแต่เมื่อได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอแล้วจิตใจก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสบายมีความเบิกบานมีความร่าเริง <Yeah. S 1> ดังนั้น <Yeah. S 1> เมื่อเรามีเวลาว่าง <Yeah. S 1> เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ <Yeah. S 1> เราจึงควรจะถือวันใดวันหนึ่ง <Yeah. S 1> ให้เป็นวันบำเพ็บุญบำเพ็กุศล ม, <Yeah. S 1> มาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ กำลังแห่งสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นผลที่ตามมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้น เพราะหลักธรรมคำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนตรงที่กรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้สูงให้ต่าการที่เรามาเกิดแล้วมีฐานะแตกต่างกันมีสติปัญญาไม่เท่ากันมีกำลังทรัพย์ไม่เท่ากันมีรูปร่างหน้าตาไม่เท่ากัน มีอายุขไัยไม่เท่ากันก็เกิดมาจากการกระทาที่เราได้ทำมาในอนดีตนั่นเองเป็นเหตุที่ส่งให้เราได้มาเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราดูการกระทาของเราเป็นหลักคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจเพราะจะเป็นผู้ที่จะนำมาซึ่ง ผลต่างๆถ้าเราไม่ดูการกระทำทางกายวาจาใจปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์อารมณ์ของเรานั้นก็มีทั้งดีและไม่ดีอารมณ์ดีก็จะผลักดันให้ <c oughs> ไปกระทำในสิ่งที่ดีอารมณ์ไม่ดีก็จะผลักดันให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำไปแล้วก็จะมีผลตามมา จะต้องการผลนั้นหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพราะเมื่อเหตุได้ทำไปแล้วผลต้องตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราคอยเฝ้าดูพฤติกรรมการกระทาของเราไม่ว่าจะทางกายทางวาจาและทางใจคอยดูอยู่เสมอว่าจะไปในทิศทางใดถ้าไปในทิศทางที่ดีก็ส่งเสริมให้ทำเลยให้พูดเลย ถ้าไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องลงัึต้องตอบสู้ต้องขัดขวางอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราสามารถควบคุมการกระทําของเราได้แล้วต่อไปผลที่เราทุกคนปรารถนาคือความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเป็นผลที่ตามมาส่วนความทุกข์ความเสื่อมเสียความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆก็จะ ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะไม่มีเหตุที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าจะเชื่ออะไรขอให้เราเชื่อหลักกรรมคือการกระทำกรรมนี้แหละเป็นเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะมาปรากฏต่อไปจะเป็นสิ่งที่ท่านจะสอดสรู้กัน จะรู้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกิดจากกรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจะไปเกิดเป็นอะไรก็กรรมเป็นผู้พาให้ไปเกิดไปเป็นเทพเป็นพรมเป็นมนุษย์ก็เป็นกรรมดีพาให้ไปเกิดเป็นเป็นเดรฉานไปเป็นสัตว์นรกก็เพราะบาปกรรมพาให้ไปเกิดนี่จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะ พิจารณาเห็นอย่างแจ้งชัดไม่สงสัยเหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆในสาราแห่งนี้ว่ามีอะไรอยู่บ้างว่ามีคนมากน้อยเพียงไรว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เห็นได้กับตาของเราอย่างชัดเจนอย่างไรเรื่องบุญกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเห็นได้อย่างชัดแจ้ชัดเจน เมื่อท่านทรงรู้ทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วท่านก็นําเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนพวกเราที่ยังมืดบอดยังไม่เห็นยังสงสัยในเรื่องบาปในเรื่องบุญในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้พวกเราได้ยินได้ฟังให้รู้แล้วก็ให้นําออกไปพิสูจน์เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้น ก็เป็นสิ่งที่คนตาดีเห็นแล้วก็มาบอกคนตาบอดอย่างพวกเราพวกเราต่อให้ได้ยินได้ฟังมากน้อยเพียงไรตาของเราก็ยังมืดมิดอยู่ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เท่ากันตรงที่ว่ามันก็ยังไม่เห็นอยู่ดีแต่ถ้าเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติต่อไปตาของเราจะสว่างขึ้นมา แล้วเราจะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่เห็นอะไรเพราะตาของเราจะไม่สว่างขึ้นมาได้เลยเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็เป็นเครื่องมือที่จะเบิกตาของเราให้สว่างขึ้นมานั่นเองให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีแสงสว่างแห่งปัญญา ที่จะสามารถมองทะลุตัวโปร่ง ล, ลึกซึ้งกว้างขวางกว้างไกลกว่าตาธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ตาของเรานี้เห็นเพียงแต่รูปหยาบหยาบเท่านั้นแต่รูปที่ละเอียดเสียงที่ละเอียดเนื้อสิ่งอะไรที่ละเอียดที่เรียกว่าตารูปทิพเสียงทิพนั้นจะไม่อยู่ในวิสัยของตาเนื้อของเราที่จะเห็นได้ แต่จะเห็นได้จากสาพิศที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเรานำมาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติปฏิบัติไปตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นไปจนถึงขั้นสูงแล้วในที่สุดเราก็จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมื่อเห็นแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากการกระทำผิด เราจะทำแต่ความดีเมื่อเป็นเช่นนั้นผลของความผิดของการกระทําไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะไม่มีอยู่ในใจของเราอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีแต่ความอิ่มความพอไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีความเชื่อมีศรัทธา ในพระธรรมคำสอนของพระพระเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามกำลังที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันแล้วก็พยายามขยับขึ้นไปทีละเล็กทีลน้อยเหมือนกับเด็กที่หัดเดินในเบื้องต้นก็หัดคลานไปก่อนแล้วต่อมาก็ค่อยๆลุกขึ้นมายืนแล้วก็ค่อยๆเดินทีละก้าวก้าวแล้วต่อไปก็วิ่งได้ ต่อไปก็เดินได้อย่างสบายการปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามที่จะค่อยๆตะเกียกตะกายปฏิบัติไปทีละเล็กทีละน้อยจากน้อยไปไปหามากจนกระทั่งเราสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเมื่อเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆรู้สิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นกันเราจะเห็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเห็นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราจะเห็นว่าสัตว์โลก ที่ทำบาปทำกรรมนั้นตายไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นอะไรเราจะเห็นว่าสัตว์โลกที่ทำบุญทำกุศลเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกปกปิดอีกต่อไปเมื่อดวงตาเมื่อจิตดีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดเมื่อพอเปิดไฟขึ้นมาก็จะสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ในสถานที่นั้นได้อย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรมาปกปิดนั่นเองเพราะความมืดที่ปกปิดอยู่นั้นได้ถูกแสงสว่างทำลายไปหมดแล้วฉันใดใจของพวกเราที่มืดบอดด้วยมิจฉาทิฐิความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเห็นว่าตายแล้วสูญสิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายไป กับความมืดบอดเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งปัญญาปรากฏขึ้นมาที่เกิดจากการปฏิบัติความดีทั้งหลายน้มต้นตั้งแต่การมีความประตันยูกตเวจีมีสัมมาคาระวะมีความเสียสละมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อปฏิบัติได้ไปถึงขั้นปัญญาแล้ว พระแสงสว่างแห่งธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเองแล้วจะไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องกรรมแล้วจะไม่สงสัยในเรื่องขั้นิภานว่าเป็นอย่างไรจะไม่สงสัยว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนจะไม่เป็นหลงงงงายกับความสุขอย่างที่เราเคยหลงกันอยู่ทุกวันนี้เช่นความสุขในลาบในยศในสรรเสริญในกามคุณห้า เหล่านี้จะไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความดุดดึงกับจิตใจอีกต่อไปเพราะจะเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่ถูกที่เคลือบที่เคลือบความทุกข์ไว้นั่นเองเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลเวลาน้ำตาลละลายออกไปแล้วก็เหลือแต่ความขมขืนความสุขทางโลกก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบความทุกข์ไว เวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเช่นแต่งงานใหม่ๆก็มีความสุขพอปะจจัเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็ละลายจืดจางหายไปเหลือแต่ความขมขื่นตามมาเพราะอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนเราเปลี่ยนได้อารมณ์ของคนเปลี่ยนได้วันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์ไม่ดีได้เวลาได้อะไรมาแล้ว ก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะดูแลรักษาไม่เหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้มาเวลายัางไม่ได้มานี้จะพยายามทำทุกวิถีทางให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าจะต้องทำตัวให้ดีก็จะทำให้ดีถ้าจะทาถ้าจะต้องเอาใจผู้อื่นก็ยินดีที่จะเอาใจแต่เมื่อได้ในสิ่งที่ตนต้องการแล้วก็จะไม่มีความ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำสิ่งต่า ง, างๆที่เคยทำอีกต่อไปธาตุแท้ก็จะค่อยๆโผล่ออกมาคือความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบความเอาใจตัวเองเมื่อมันโผล่มาแล้วก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นตามมาคนที่เคยได้รับการเอาเอกเอาใจ เดี๋ยนี้ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็จะเกิดความเสียใจใเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่จะคือความจริงของชีวิตคือความสุขในโลกนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกับบุคคลหรือกับวัตถุต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาใหม่นี้ทุกอย่างมันดีไปหมดแต่พอมันเริ่มเก่าแล้วมันก็เริ่มชํารุดซุดเสซมมันก็เริ่ม ดูไม่ดีมันเริ่มมีปัญหามันเริ่มมีภาระที่จะต้องมาคอยดูแลมามามาซ่อมแซมมารักษามันนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นแล้วก็จะรู้ว่าความสุขในโลกนี้ไม่ได้เป็นความสุขเลย ลดเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นสู้ความสุขที่ได้จากการทำความดีไม่ได้เช่นความกตันยูกตวเวทีเวลาได้รับใช้ได้ดูแลพ่อแม่ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เราจะมีความสุขมีความภูมิใจเวลามีความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่เราจะมีความสบายใจเวลาเราเสียสละ ได้เราจะมีความภูมิใจเวลาเรารักษาศีลได้ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราจะมีความมั่นใจมีความสุขใจเวลาเราทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราจะเห็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นความสุขที่ละเอียดที่ประณีตเป็นความสุขที่มีอนุภาพมาก แล้ในขณะที่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายใจก็ยังมีความสุขอยู่แล้วยิ่งถ้าได้ความสุขจากปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะยึดติดไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นของตนว่าเป็นของเรา ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆจะปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความจริงของเขาเขาจะเกิดก็ให้เกิดเขาจะอยู่ก็ให้อยู่เขาจะตายก็ให้ตายไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนไม่ไปยินดียินร้ายกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทังสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม จะใหญ่โตหรือจะเล็กน้อยก็ต่างจิตใจจะไม่มีความหวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถทำลายมันได้ใจเป็นนามธรรมาแม้นระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายใจได้สิ่งที่จะทาลายได้ระเบิดที่จะทำลายได้ก็คือวัตถุหรือ คนท่านั้นแต่ใจนี้ระเบิดนิวเคลียร์ไม่สามารถทำลายได้เพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเพียงแต่มาเกาะติดอยู่กับสิ่งที่มันตายคือร่างกายนี้ท่านั้นแล้วก็เป็นหลงยึดไปิติดว่าร่างกายนี้เป็นมันเป็นใจเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อใจคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวของใจพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมา ก็สกิวความทุกร้อนขึ้นมาทั้งๆที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยร่างกายจะแก่ใจก็เหมือนเดิมไม่ได้แก่ตามร่างกายไปร่างกายจะเจ็บอย่างไรใจก็ไม่ได้เจ็บตามร่างกายไปแต่เราถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือ ถึงขั้นปัญญาแล้วเราจะไม่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาเราจะเห็นทันทีว่าใจกับกายนั่นเป็นคนละส่วนกันใจไม่ได้เป็นร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของใจใจไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้มันเป็นไปตามความต้องการได้ตลอดไปอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้บางทีก็เป็นไปได้บางครั้งบางคราวบางเวลาแต่จะให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจไปตลอดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นทำเช่นทามาค้าขายก็จะขอให้มีแต่กําไรไปตลอดไม่มีขาดทุนเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ ทำอะไรจะให้เจริญไปตลอดแล้วไม่มีเสื่อมเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะในโลกนี้มันเป็นของคู่กันระหว่างความเจริญกับความเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกธรรมแปดนั้นเป็นของคู่กันมีอยู่สี่คู่ด้วยกันคือคือลาบยศสารเสริญสุขมีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมมีการเจริญและ ล, ลาบก็มีการเสื่อมลาบ มีการเจริญยศก็มีการเสือ่อมยศมีการมิสรรเสริญก็มีมนิ่งทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปอยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ใจที่ฉลาดถ้าสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้ทันจะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับโลกธรรมทั้งแปดจะเจริญก็ไม่ดีอกดีใจจะเสื่อมก็ไม่เสียอกเสียใจ เพราะว่าไม่ได้ไปยึดไปติดไปต้องการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเหมือนกับเราปล่อยให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามสภาพของเขาเราไม่ได้ไปอยากให้ฝนไม่ตกหรือให้ฝนตกเราไม่ได้ไปอยากให้แดดออกหรือแดดไม่ออกเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราก็ไม่เดือดร้อน เวลาฝนตกเราก็ไม่เด no so the ือดร้อนเวลาแดดออกเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปมีความอยากมีความยึดมั่นถือมั่นกับแดดกับฝนแล้วเราจะลําบากเพราะเวลาอยากจะให้ฝนตกแล้วฝนไม่ตกเราก็เดือดร้อนเวลาอยากให้แดดออกแล้วแดดไม่ออกเราก็จะเดือดร้อนเราจะวุ่นวายใจเิ่งต่างๆที่เราวุ่นวายใจที่เราทุกข์อยู่ด้วยก็เพราะความอยากของเรานั่นเอง อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจวุ่นวายใจแต่ถ้าเรารู้จักทำใจว่าอย่าไปอยากเลยปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาเราอยากจะได้อะไรเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราก็แล้วกันถ้าได้ก็ดีไป ถ้าไม่ได้ก็อยากไปเสียใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับแทงหวยแทงลอตเตอรี่เราจะไปบังคับว่าแทงเลขนี้แล้วมันจะตัอ้งอออกตางที่เราแทงไม่ได้มันจะออกเลขอื่นแล้วก็บังคับมันไม่ได้ฉันใดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดแต่ทำให้ดีที่สุด นะเรามีหน้าที่ต้องทำสาสตร์ใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังต้องทำต่างๆสิ่งต่างๆเราก็ทำไปเช่นมีหน้าที่เรี่งปากเรี่งท้องทามาหากินเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเราได้เงินมามากน้อยเพียงไรก็ให้พอใจกับรายได้ที่เราได้มาส่วนเรื่องการปฏิบัติทมก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็ทำไปทำให้มากๆทำให้สุดความสามารถของเราจะได้มากจะได้น้อยก็อยากไปเสีย อ, อกเสียใจทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเองส่วนบาปกรรมที่ท่านทรงสอนให้เราลดให้เราละให้เราตัดเราก็ต้องทาเหมือนกัน ต้องตัดต้องละอบายยมุกต่างๆเช่นการเสพสารยาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเราก็ต้องพยายามละพยายามเลิกต้องสอนให้เราละ เ, เว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดโดยมีพูดผดมติดเราก็ต้องละเราก็ต้องทำนี่คือหน้าที่ของเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ ถ้าเราทำได้แล้วต่อไปจิตใจของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆความทุกข์จะน้อยลงไปความสุขจะมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันเกิดจากการควบคุมจิตใจให้อยู่ในสิ่งที่ดีที่งามให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแล้วก็อยู่ที่การชำระ ความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงไปจนหมดสิ้นไปนี่คือหน้าที่ของเราเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนและทำได้มากน้อยเพียงไรความสุขความจเจริญก็จะมีมากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำแต่สิ่งอย่างอื่นเช่นอยากจะให้รวยอยากจะให้มีคนรักเราอยากจะให คนเขาเสนอเสยเหนียอยกย่องเราอยากจะให้มีความสุขไปทุกวันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปขวนขวายเพราะเราบังคับมันไม่ได้เราพยายามทํามาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้จังใจได้บ้างบางวันก็ได้ความสุขบางวันก็ไม่ได้ความสุขบางวันก็ได้ลาบบางวันก็ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถควบคุมบังคับได้นั่นเองแต่สิ่งที่เราจะสามารถทำให้เกิดขึ้นมาในตัวของเราได้ก็คือความดีงามความสุขความเจริญนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำมาให้เกิดขึ้นมาได้ด้วยการมาวัดบ่อยๆ อ, อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันในวันนี้ขอให้เรามากันบ่อยๆมาทาบุญเรื่อยๆ และนอกจากนั้นเวลาเรากลับบ้านไปอยู่เราไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนเราก็ยังสามารถทำความดีได้มีอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไปมีอะไรที่ไม่ดีที่เราควรที่จะหักห้ามจิตใจก็ควรจะหักห้ามอย่าไปทำมันอยู่ที่ไหนเราก็สามารถละความโลภความโกรธความหลงได้เวลาโลภ ก, ก็ต่อสู้อย่าไปโลภตา่างเวลากโกรก็ หักห้ามจิตใจยอย่าไปโจรงตามเวลาหลงก็ไปหักห้ามจิตใจยอย่าไปหลงตามให้พิจรารณาให้ใช้ปัญญาว่าไม่มีอะไรที่เราจะควรที่จะไปยึดไปติดไปยินดีไปอยากมีอยากได้มาไว้ครอบครองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นมีความสุขเพียงผิวเผิน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความทุกข์เสียมากกว่าถ้าไม่ไปอยากได้อะไรไม่ไปยินดีกับอะไรก็ไม่หลงไม่หลงก็ไม่ทุกข์ส่วนใหญ่เราจะหลงกันเราจะรักสิคนั้นรักคนนี้แล้วก็อยากจะให้เขารักเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดกันเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนใน นี่คือสิ่งที่เราจะสามารถสอนตัวเราเองและทำปฏิบัติตามได้สร้างความสุขในใจเราดีกว่าสร้างความดีในตัวเราเป็นสิ่งที่เราทาได้และจะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดถึงแม้เราตายไปในชาตินี้ความดีและความสุขที่เรามีในใจของเราก็ไม่ได้ถูกทำลายไปกับความตายของร่างกาย มันก็จะติดไปกับใจของเราพาให้เราได้ไปเกิดที่ดีไปสู่สุคติมีไปเกิดใหม่เราก็จะได้เริ่มเราก็จะได้บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลต่อไปอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะบุญในอดีตที่ท่านได้ทําไว้นั่นเองเป็นตัวผลักดันให้มาทําต่อให้มาสร้างบุญสร้างกุศลต่อ พอได้สัมผัสแล้วมีความมีความพอใจมีความยินดี <c oughs> ยังขอให้ท่านทั้งหลายพยายามบำเพ็ญไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่าให้อะไรในโลกนี้มันมีความสำคัญกว่าการบำเพ็ญบุญและกุศลเพราะนี่เป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมไม่เหมือนกับสมบัติต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนของปลอม เพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็จะจากเราไปมันก็จะหายไปแต่บุญและกุศลน้ำจะไม่หายไปจากเรามันจะอยู่กับเราไปและทวีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเต็มอยู่ในหัวใจเหมือนกับที่เหมือนกับหัวใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านถึงจุดเต็มอิ่มของความสุข เพราะการบําเพ็ญบุญและกุศลนี้เองท่านสิ้นสุดเรื่องของความทุกข์ทั้งหลายก็เพราะการละบาป ท, ทั้งหลายการบําเพ็ญบุญทั้งหลายนี้เองจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมีความมั่นใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วการที่ท่านได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนา ก็จะไม่เป็นการเสียชาติเกิดเพราะท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ยังขอฝากเรื่องการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาให้ท่านได้นําไปประพฤติปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพร ะ, ะศีด็จรัตนไตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญขุมศที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมี้แต่ความสุขความเจริญทั้งหนทางโลกและหนทางธรรมโดยทั่วหน้ากัเธอ